แล้วคุณจะเห็นความสำคัญของมุติตาเลยว่าโอ้แก้จิตได้จริงจริงนะเอาส่วนอีกอันหนึ่งก็คือท่านตัดไว้ว่าเธอจงทำจิตอุเบขาให้มากขึ้นวางใจเที่ยงธรรมเป็นกลางเพราะเมื่อมีอุเบขาอยู่ก็จะละการกระทบกระทั่งได้ดูนะแล้วกี้มุติตานี่จะละอะไรได้ละความ ไม่ชอบใจละความไม่ยินดีละการถือสาละความหมั่นไส้อะไรพวกนี้นะมุทิตานี่ละได้จริงๆมันไล่ามาตั้งแต่เมตตากรุณาแล้วะมันไล่ามาเรื่อยจนมาถึงมุทิตาแนละ้วจนบางทีบางครั้งคนเราเนี่ยมันมันไม่รู้จะทาจิตทำใจยังไงถ้าโดยขั้นตอนนะมีเมตตามีกรุณามีมุทิตานี่นะ จนมาถึงขั้นนี้ส่วนใหญ่ถ้าคุณปฏิบัติมาถูกทิศถูกทางปฏิบัติมาถูกต้องตลอดมาเรื่อยๆนะคุณจะมาลงที่อุเบกขาได้แน่นอนจะไม่มีไปเป็นอย่างอื่นเพราะละกีเนี่ยแค่มุติตาใช่ไหมคุณทําให้มากขึ้นมากขึ้นคุณก็จะเริ่มวางคนนั้นได้ละ ว, วางได้อย่างดีด้วยเออไม่ใช่วางแบบเกียร์ชังนะอืแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราเนี่ย พอเรารู้สึกว่าไม่ชอบใจถือสาหรือว่าอะไรใครส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยใช้ตามลําดับอะว่าเมตตากรุณาลมุติตาส่วนใหญ่มาเลยพา ช, ชั้นเลยคือกระโดดข้ามชั้นเรียนมาเลยนะจะเอาอุเบกขาเลยกูไม่ยุ่งกับมึง <c oughs> นะจะมาตรงนี้เลยทันทีเลยเพราะว่ามันมันไวดีมันไวดีส่วนใหญ่ เพราะว่าบางคนเนี่ยบอกโอ้โหจะให้มานึกเมตตาเขานึกยังไงก็ไม่ขึ้นทําไมที่นึกไม่ขึ้นเพราะว่ามันเกลียดซะจะเต็มหัวใจอยู่แล้วจะมาให้อุเบกขาเขามันวางไม่ลงจริงๆนะเพราะฉะนั้นจะไม่ให้มาคิดแหมเมตตานะกรุณาเข้อนะมุทิตาเข้อนะคิดให้หัวแตกยังไงก็คิดไม่ออกจริงๆบางคนเนี่ยยิ่งพอพ ย, พยายามคิดนะมันโอ้โหบางคนนี่นะยิ่งยิ่งมึนยิ่งเมาแล้วก็ ยิ่งรู้สึกเหมือนบีบคั้นตัวเองจนกระทั่งบางคนนีจะระเบิดเลยมีตัวอย่างพวกนี้มีมาแล้วทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นบางคนเลยชอบตัดรอบเลยเอามาที่อุเบกขาเลยอุเบกขาชนิดอะไรรู้ไหมอุเบกขาชนิดที่เรียกว่าถ้าแกอยู่สันเตียโศกฉันจะไปอยู่ปฐมละ่ะ <laughs> จะไปอยู่บ้านลาดละคือพูดง่ายว่าอย่าเห็นอย่าเห็นหน้ากันเลยอย่าจะยินเสียงกันเลยอะไรกันเลยคือจะต้องอย่างนั้นไปเลย อุเบกขาแบบอาศัยสถานที่อาศัยเหตุการณ์อาศัยอะไรช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วอดไม่ไหวตัวเองอุเบกขาไม่ได้ก็ต้องใช้สถานการณ์อะไรต่างเข้ามาช่วยนะถ้ามันจำ น, น้นจําเป็นจริงๆมันก็จะต้องใช้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าท่านถึงถึงได้ตรัสว่าอุเบกขาเนี่ยจะละการกระทบกระทั่งซึ่งอันนั้นเป็นการแก้ที่เรียกว่า หยาบที่สุดละเป็นการแก้จิตที่หยาบที่สุดนะเหมือนกับการหนีแต่จริงๆไม่ใช่การหนีอาตมาเคยอธิบายไปบ่อยละนะว่ามันมันรู้จิตตัวเองอะ่ะว่ายังทนเห็นคนนี้ไม่ได้ทนฟังคนนี้ไม่ได้จิตเรายังแย่มากเลยนะไอ้ความสำรวมใจเราความสะกดกั้นใจเรานี่ไม่ไหวเลย มันไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้สะสมกำลังพวกนี้มาเลยเพราะนั้นเมื่อมันอย่างงี้รู้ว่าถ้าเจอเมื่อไหร่นะระเบิดเมื่อนั้นทันทีเพราะนั้นคนนี้ก็เลยต้องให้ย้ายที่ไปก่อนอยู่กันคนละฟากฟ้าก่อนนะเนี่ยถึงจะละการกระทบกระทั่งได้แต่บอกแล้วนะอันนี้หยาบที่สุดแล้วเพราะว่าความเป็นจริงาศาสนาพุทธนี่ไม่หนีปัญหาลักษณะนี้ นะไม่ไม่หนีปัญหาแบบนี้คือจะต้องอยู่มีภาษะแล้วก็แก้จิตแต่เพราะว่าอันนี้เนี่ยพลังเราไม่ถึงจริงๆจนกระทั่งถ้าอยู่นะตรงข้ามคนนี้ถ้าอยู่เนี่ยระเบิดถ้าแยกเออไม่ระเบิดเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าลักษณะนี้จึงจะ บ, บอกว่าหนีปัญหาไม่ได้แสดงว่าคนนี้รู้ปัญหาต่างหากละ่ะรู้ว่าถ้าอยู่แล้วระเบิด มันก็เลยต้องต้องย้ายสถานที่เพื่อไม่ให้ระเบิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่การหนีปัญหาคุณต้องแยกนะแต่คนที่คราวนี้จริงๆเนี่ยพอจะอดทนอดกั้นก็ได้อยู่ได้ยินเสียงเขาก็ยังพอทําใจได้อยู่แม้คุณจะทําใจแบบสมถะก็ตามนะอ่ยังไม่ใช่วิปัสสนาก็ตามแต่คุณก็ยังพออดทนอดกั้นได้อยู่เออไม่ไปแบบว่า โอ้โหระเบิดลงไม้ลงมือหรือว่าไปด่าทอทอะเลาะบอแวงอะไรกับเขาใจจริงๆคุณรู้ว่ากูยังพอทำได้อยู่ไออย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณหนีย้ายสถานที่ไม่เจอดีกว่าเพราะว่าไม่เจอมันง่ายกว่าไงมันสบายใจกว่าเพราะฉะนั้นหนีเลยพวกนี้หนีอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าหนีปัญหาเพราะว่าจริงๆ ย, งยังทำได้แต่ตัวเองไม่ยอมไม่ยอมอยู่สู้ งั้นก็เลยหนีเพราะพวกนี้มักจะเข้าใจผิดนะมักจะคิดว่าการหนีเนี่ยมันง่ายไงมันสบายมันเป็นสุขกว่าก็เลยใช้วิธีหนีปัญหาแบบนี้อยู่เรื่อยๆมันง่ายดีอมันมีความสุขเร็วดีไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปมีเรื่องอะไรด้วยแต่ความเป็นจริงแล้วคนนี้ไม่ได้ลดละ ก, กิเลส ท, ที่ตัวเองมีเลย ความไม่ยินดีความไม่ชอบใจอะไรเรื่องอะไรหรือว่ากับคนไหนมันยังอยู่เหมือนเดิมนี่มันไม่มันไม่ได้ลดไม่ได้ล้างอะไรนี่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่านี้เป็นลักษณะแก่แบบสมถะไปเท่านั้นเองเหมือนพวกฝึกสมาธิหรือฝึกเจโตสมถะมาก็หนีปัญหาในโลกนี่ทั้งปวงนะเอาเลยนั่งทําเจโตสมถะไม่ยุ่งไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น อันนี้ก็คือหนีโลกไม่ใช่เหนือโลกอันนี้คานี้พ่อท่านก็พูดบ่อยมากเลยว่าอย่างยิ้มหนีโลกไม่ใช่เหนือโลกอะไระหนีปัญหาอะไรต่างๆไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ล้างกิเลสตัวเองลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของอุเบกขาเนี่ยถ้าเราฝึกไล่มาเรื่อยๆ เ, เราก็จะมาถึงอุเบกขาจริงๆได้แต่เอาละ บางทีเราไม่ต้องรู้อะเมตตากรุณามุ้ทิตาอะไรยังไงช่างเหอะตัดรอบมาที่อุเบกขาเลยก็ตามโดยคนทั่วไปเนี่ยก็มักจะใช้อุเบกขาโดยชนิดที่เรียกว่าอะไรอะเขาจะใช้คําว่ารู้อะไรนะ อ, อที่เขาพูดกัน บ, บอ่อยๆอะอะไรรู้แล้วเฉยอะอะไรมันเป็นสำนวนที่เขาเป็นภาษาผูดของเขาอะ รู้แล้วนิ่งเฉยอะไรอ่ ะ, อะมันเป็นสำนวนเขาอ่ะมาจาภาษาเขาไม่ได้คือผู้รู้อ่ะผู้รู้ต้องนิ่งเฉยได้อ่ะจริงมันเป็นภาษาพูดที่มันก็มีถูกอ่ะแต่ความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือคือผู้ผู้รู้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ผู้รู้จริงเนี่ยผู้ทำได้จริงเนี่ยต้องนิ่งเฉยอ่าจะต้องไม่แบบว่าไม่ไปยุ่งอะไรใครจะต้องไม่ไปผูดง่ายอะไรอ่ะ โอ้ส ง, งบเรียบร้อยสวมอยรางชี่ที่เรียกว่าไม่กระตกกระตากไม่ไม่อะไรวุ้หวาไม่อะไรกับใครอะไรเขาเลยนะรู้แล้วนิ่งเฉยอะไรทำนองนี้นะแต่มันไม่ใช่ความเป็จริงไม่ใช่อย่างนั้นศา ส, สนาพุทธไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยผู้เจ้านิ่งเฉยที่ไหนผู้เจ้าไม่ได้นิ่งเฉย <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นสำมวูรที่พวกนี้เขา <c oughs> เขาใช้กัน เขบอกว่าคนที่รู้จริงเนี่ยต้องต้องดิ้งเฉยอะ่ะไม่ใช่แม้มาพูดหรือว่าไม่ใช่มาแสดงไอ้นั่นอย่างงั้นอย่างนี้อะไรพวกนี้อืมนะแต่ไม่จริงพู้เจ้าเนี่ยท่านจะใช้อุเบกขาหรือท่านจะใช้เฉยเนี่ยนะต่อเมื่อบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เท่านั้นแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วไม่เลยแต่ว่าคนบางทีเนี่ยที่ไม่เข้าใจเรื่องของอุเบกขาเนี่ย มักจะเอาอันเนี้ยเข้ามาซึ่งอุเบกขาแบบนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นอุเบกขาแบบรือสีไม่ใช่อุเบกขาแบบของพุทธผู้เจ้าถึงได้แบ่งนะผู้เจ้าแบ่งอุเบกขาเป็นสามอย่างนะท่านบอกว่าอุเบกขาแบบมีอาม i ตรอันเนี้ยอย่างอย่างอย่างตื้นที่สุดอย่างแรกที่สุดอุเบกขาแบบมีอามิตรนะท่านท่านตัดว่า อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้คือรูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสัมผัสทางกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำนัดนี้เราเรียกว่าอุเบกขาบีอารมิตอาตมาจะพูดง่ายๆ่ายให้พวกเราเข้าใจคือบางคนเนี่ยที่วางเฉยได้นะทเป็น ไม่เดือดร้อนแหม่สบายมากที่วางเฉยได้เนี่ยเพราะจริงๆแล้วได้อารมิต ท, ที่สมใจตัวเองนะแล้วก็วางเฉยได้ยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตดีกว่าสมมติว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคนนี้บอกว่าโอ้ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยฉันสบายมากฉันไม่หุดหิฉันไม่ลาคาญอะร้งสิถึงอากาศจะร้อนเพราะอะไร พ็พออยู่ห้องแอร์อะโถเอ้ยจะไปเดือดร้อนอะไรละ่ะแม่เนี่ยแบบบีอารมิดแล้วก็สบายอ้าวพอโถเอ้ยสบายแบบนี้ก็วางเฉยได้นะไอคนอื่นเขาร้อนโอ้โหเหงื่อแตกเขาหดยิดเขาลาคานเขาไม่จะอยู่หออ้องแอร์เขาหดยดเขาลาคานอ่ะแล้วบางทียังยังว่าคนอื่นกนะ โทรทำไมจะต้องอารมณ์เสียทําไมจะต้องอารมณ์กุญแจอย่างนี้เสียแล้วตัวเองก็อยู่ห้องแอร์และไอ้เขาก็ไปทำสอกสอ ก, ส ก, สกนะทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งอะไรแล้วก็ว่าเขาว่าว่าโทรแค่นี้ก็วางใจไม่ได้วางเฉยไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุเบกขาแบบเนี่ยเนี่ยอุเบกขาแบบคนโรคโรคอุเบกขาแบบทั่วๆไปเนี่ยคือมีอามิตรเนี่ยพระเจ้าถึงได้ใช้บอกว่าเนี่ยอาศัยกรรมมกุลห้าแล้วก็วางเฉยได้อ่า บางคนเนี่ยอะไรนะอมื้อนี้ข้าวมื้อนี้เนี่ยบอกโอ้คือคนนี้นะบอกโอ้มื้อนี้ไม่ต้องกินก็ได้สบายมากไม่รู้สึกอะไรหรอกไม่หิวไม่เห่ออะไรหรอกสบาย ว, วางใจได้สบายสบายเลยนะมื้อนี้ไม่ต้องกินเพราะอะไรเพราะไอ้คนนี้มันกินไม่มีมือ้อ <laughs> วันมื้อนี้ไม่กินสักมือ้อนึงเนี่ย ไม่ยังสบายสบายเพราะเดี๋ยวก็ไปกินมื้ออื่นเยอะแยะส่วนบางทีบางคนเนี่ยวันหนึ่งกินมื้อเดียวโอ้โหให้ให้อดมื้อเดียวเนี่ยนะบอกโอ้โ oh, หไม่ไหวจะตายวางเฉยไม่ได้เลย <laughs> มันต่างกันมากเลยอ่ะเพราะเนี่ยเยอะแยะเลยคนที่บางทีเนี่ยคนที่รวยรวยคนที่สบายสบายมักจะหลงว่าตัวเองเนี่ยมีอุเบกขา วางเฉยได้แม้ทําเป็นยิ้มยามแจ่มไถทําเป็นสบายอกสบายใจอยู่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะไม่ค่อยเจอปัสสะถึงได้ทําเป็นสบายอยู่ได้จําได้ไหมเล่าบ่อยเรื่องเนีนะ้ทั้งสมมณะทั้งศิกขามาทั้งอะไรเนี่ยเอามาเล่าบ่อยผู้เจ้าท่านสอนเอาไว้อะท่านยกตัวอย่างที่นางอะไรนะจําชื่อไปได้ละแล้ ว, ลวคนคนใช้เป็นนาง กาลีทาสีหรือไงนะจำชื่อไปได้ปรากฏว่าใครๆก็ชมเจ้านายเนี่ยว่าโอ้โหเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนมีจิตใจดีน่ายิ้มแย้มแจ่มใสแม้เป็นคนอารมณ์ดีนคนรับใช้นี่ไม่ยอมรับคนรับใช้นี่บอกไม่จริงเพราะที่เจ้านายเขาเนี่ยนาอารมณ์ดีอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรอะไรในบ้านนี่คนใช้ทำให้ทั้งหมดเขาก็เลยบอก พิสูจน์ไหว่าเจ้านายเขาเนี่ ย, ยอารมณ์ดีจริงหรืเปล่าคราวนี้ไอ้เจ้าคนรับใช้คนนี้ใช่ไหมก็เลยแก้งตื่นสายเอาวันนี้ก็แก้งตื่นสายเอาสมมุติว่าแก้งตื่นสักเก้าโมงอพอพรุ่งนี้แก้งตื่นอีกสายขึ้าไปอีกจะไปตื่นสักเที่ยงอะไรงเงี้ยแก้งไปอย่างเงี้ยไอ้วันแรกๆเจ้านายก็ยังไม่เท่าไหร่นะวันแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกๆใจ อ่ายังยังไม่สัมแดงเดชพอวันที่สองสายหนักก็ไปอีกอเอาแล้วชักชักอันั้นแล้วนะชักขุดแล้วนะชักเริ่มเริ่ ม, มขึ้ น, ข, นขึ้นและเริ่มยอะเยอะขึ้นมาแล้วนะชักจะเริ่มเริ่มว่าเริ่มอะไรคนใช้แล้วนะพอวันที่สามคราวนี้ทนไม่ไหวเลยทําไมขี้เกียจทําไมไม่มาทํางานทําไมไม่ทําอำ n o i d ให้เขาอดไปได้เอาไม้มึงเขวี้ยงหัว คนรับใช้หัวแตกเลยอุเบกขาไม่ได้แล้วทำเป็นคนใจดีใจเย็นไม่ได้แล้วเพราะว่าคนอื่นเขาทาให้หมดนี่เนี่ยเนี่ยเนียอย่างเนี้ยอุเบกขาหรือว่ามีความสุขมีความสบายได้เพราะมีอามิต ท, ทั้งนั้นคนอื่นช่วยหรือว่าคนอื่นเขาอะไรให้ทั้งนั้นเพราะรนั้นตรงเนี้ยหลายคนที่บางทีเนี่ยไม่รู้ตัวมีคนคอยช่วยอยู่มีคนคอยช่วยอยู่นะ แม่ก็เลยทําเป็นใจเย็นได้บางทีเนี่ยไอ้เพื่อนฝูงหรือคนอื่นที่เขามาช่วยเนี่ยเขาหนักๆอยู่นะเขาแอร์ออยู่ไอ้คนนั้นหมน่โทถไปเครียดทําไมนะไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากไม่ต้องไปทําให้มันหนักเหนื่อยอะไรมากก็ทาแค่นี้ก็พอแล้วนะแล้วบางทีตัวเองก็ทิ้งไปเลยนะอ่าอุเบกขาอุเบกขาทิ้งงานไปเลยนะปล่อยหางกองเพ่เริ่มเทิมให้คนอื่นเขาช่วยล้างช่วย จ, จัดการ ไอคนที่มาเก็บหางมาล้างหามาทีอะโหไอคนนี้ก็หัวปากหัวปั๊มเลยนะบางทีล้างไปก็ทําไมกองมันใหญ่งี้วะใครบ้างเนี่ยใครมากองเอาไว้ใครกินบ้างไม่ไมาช่วยล้างชามล้างหมอ้อล้างอะไรให้เลยอ๋บางคนเนี่ยถ้าทําใจไม่ได้ก็คิดปรุงไปเรื่อยสวยไอคนที่ทิ้งไปนะอุเบกขานอบสบายนะโอ๊ยต้องไปอะไร ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยอุเบกขาแบบคนอื่นเขาช่วยไว้ต่างหากแล้วไม่ได้อุเบกขาได้จริงถ้าคนที่อุเบกขาจริงเนี่ยโอโ้โหไปช่วยเขาล้างไปช่วยเขาทางานโอโ้โหหางกองเบลมเทิมเลยนะที่คนอื่นเขาทิ้งเอาไวน้นี่คนนี้ทั้งหนักทั้งเหนื่อยทําแล้วก็ยังอุเบกขาได้วางจิตวางใจได้นะไม่ไปอะไรอะ่ะคิดเลวร้วายกับใครเขาไม่ไปน้อยเนื้อต่ําใจทําไมไม่มีใครมาช่วยอะไรพวกนี้เนี่ย ก็วางใจได้ก็เอา้าก็พยายามกลมหน้ากลมตาทมไปตามที่เรามีพละกกำลังที่เราจะทำได้อย่างนี้ถึงจะถือเป็นอุบเบกขาที่สูงขึ้นมาได้ไม่อย่างนั้นส่วนใหญ่เนี่ยบอกได้เลยอุบเบกขายัางไม่จริงกันทั้งนั้นที่อุบเบกขาได้เนี่ยบอกแล้วว่ามีอา mith คือคนอื่นช่วยเอาไว้เหมือนอย่างบางทีเราดูเด็กๆ เ, เนี่ยมีความสุขมากเลย เด็กๆไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยอะไรเพราะอะไรเพราะพ่ อ, พ อ, พอแม่หรือว่าผู้ใหญ่นั่นแหละที่หนักที่เป็นตัวต้องทํางานต้องหาเงินต้องโอ้โหอะไรต่ออะไรเด็กๆไม่รับผิดชอบไม่ต้องรับรู้อะไรมากวโอ้สบายวันๆหนึ่งอย่างนี้เด็กก็อุเบกขาง่ายวางเฉยได้ง่ายปล่อยวางได้ง่ายแต่ไอแบบนี้มันแบบโลกโลกถึงบอกว่าอย่างแยีอุเบกขาแบบโลกโลกไม่ใช่อุเบกขาแบบของพุทธแม้อย่างนี้ยังมีนะพระเจ้าท่านตัด ขึ้นไปอีกเหนือกว่าอุเบกขาที่มีอมิตรนางขาวนี้เป็นอุเบกขาไม่มีอมิตรดูนะในธรรมวินัยนี้ผู้สงัดจากการรมสงัดจากกุศ ล, ลธรรมบรรลุฌานสี่ดูนะข่าวนี้นะถึงขั้นบรรลุฌานสี่อันไม่มีทุกไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกดับความดีใจดับความเสียใจก่อนๆได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้เรียกว่าอุเบกขาไม่มีอามิตรคราวนี้แสดงว่าปฏิบัติขึ้นมาแล้วอย่างที่ตะกี้อาตมาบอกเริ่มปฏิบัติแล้วไม่อยู่ที่การมังคุณห้าวัตถุภายนอกอะไรต่างๆแล้วจะเป็นวัตถุมารอดใจหรือว่ามาทำให้เราสบายใจเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีละไม่ต้องไม่ต้องมีแอร์นอนร้อนๆก็ วางใจได้ก็หัดจริงร้อนไหมร้อนแต่ก็หัดวางใจแล้วก็นอนอืมบางทีมีวันนี้มีข้าวมาให้เรากินได้น้อยหน่อยนะก็หัดวางใจได้ถึงแม้จะมีข้าวน้อยก็เอากินตามที่มีน้อยนี่แหละแล้วก็หัดวางใจได้โดยที่วัตถุภายนอกอะไรต่างๆพวกนี้ไม่มามีอิทธิพลเหนือจิตใจเราแล้วเราสามารถปล่อยวางได้ สามารถวางเฉยได้หรือถึงขั้นวันนี้ผู้ง่ายอดเลยไม่ม in. in, um um. ีกินหรือบางทีมีกินแต่เราไม่ก um. ินเน่เราหัดอดหัดงดบ้างนะเขาเรียกว่าอับปิจชะหัดอดหัดงดบ้างแล้วเราก็หัดวางใจเราหิวไหมหิวก็ไม่กินน่ยมันจะไม่หิวได้ไงหิวบางทีล้อง อ่าท้องร้องโคมคามคมคามอ่าแต่หัดวางใจได้ไหมล่ะคือบอกแล้วไม่ไม magical, ่ไม่ข mm. ึ้นอยู่กับไอ้สรีละไม่มาขึ้นอยู่กับไอ้พวกภายนอกอะไรนี่แหละคุณจะมีฌานสีเนี่ยคือมีพิตกมิจารมีปิติสุขนะแล้วก็มีอุเบกขาเนี่ยเกิดขึ้นได้ราะนั้นอุเบกขาแบบที่สองเนี่ยแบบไม่มีอมิษเนี่ยเริ่มเป็นอุเบกขาที่เข้าสู่ฌานสีแล้ว แต่ถ้าเป็นแบบของลือศีนะคราวนี้ถ้าไม่ใช่ของพุทธนะถ้าเป็นแบบของลือศีก็นี้ภาษาอย่างที่บอกเข้าชานเลยคราวนี้ที่เขาเรียกเข้าชานเลยไปนั่งหลับตาบําเพญ็ญโดยที่เรียกว่าไม่ปรุงไม่ยุง่งไม่คิดไม่ต้องอะไรกับใครทั้งสิน้นถึงเวลากินก็ค่อยมากิน <c oughs> อ่เท่านั้นพูดง่ายว่าไม่ต้องเอาภาษาอะไรทั้งสิ้นเลยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะ ไม่ใช่ผัสสาที่เป็นฌานสี่อย่างของพุทธอันนั้นเป็นฌานสี่แบบของฤาษีซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งไม่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงแล้วต้องมาเข้าสู่ฌานแบบของพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีสติบริบูรณ์นะแล้วก็เนี่ยบอกว่าละสุขละทุกข์ได้จะต้องทําใจเราให้ได้ แต่คำว่าละสุขละทุกข์ได้นี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมันมีแต่เราพยายามที่จะละมันออกจากจิตเราแทนที่จะไปคิดถึงไปพรวาวพวงไปห่วงหาอะไรเอาวรไปอะไรอย่างต่างพวกนี้เราก็พยายามพยายามตัดออกพยายามวางใจเฉยเฉยให้ได้แล้วทำงานอยู่ไหมทำงานอยู่ได้มีผัสสะได้ น่าจะกินจะนอนได้จะพูดคุยกับใครได้ทั้งนั้นเลยถ้าฌานสี่อย่างของพุทธถึงบอกว่ามันต่างจากฤาษีไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าไม่ยุ่งอะไรกับใครนะไม่ต้องมีภาษาอะไรทั้งสิ้นมันมันตรง ข, งข้างกันเลยเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยจนสุดท้ายณนะอุเบกขาสุดท้ายพระเจ้าท่านตัดว่าอุเบกขาที่เกิดขึ้นแกภิกษุขีนาศพ ผู้พิจารณาเห็นจิตซึ่งหลุดพ้นแล้วจากความกำหนัดความกโกรธความหลงผิดนี้เราเรียกว่าอุเบกขาไม่มีอามิ t h ที่ยิ่งกว่าอุเบกขาไม่มีอามิ t h พูดง่ายว่าอุเบกขาที่ไม่มีอามิ t h เนี่ยเรากาลังฝึกแล้วเราก็พยายามลดละอยู่นะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรพวกนี้แล้วก็พยายามฝึกให้มีอุเบกขาที่ไม่มีอามิ t h เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อไหร่เราสามารถที่จะแบบว่าละสุขละทุกได้ทุกเรื่องคุยง่ายกิเลสทุกตัวคุณจัดการได้หมดละความโลภความโกรธความหลงคุณจัดการได้ทุกเรื่องเลยถึงขาานั้นแหละที่พระเจ้าท่านบอกขาานี้แหละจะเป็นการวางเฉยระดับพระอรหันต์ขีนาศพนี่คือระดับพระอรหันต์นะคุณจะวางเฉยแบบพระอรหันต์วางเฉยและก้อนี้ จะทำงานจะพูดคุยกับใครจะเทศสอนใครหรือบางทีจะตำหนิว่าใครอุเบกขาได้ทั้งนั้นแล้วก็พูดง่ายว่าไม่ไม่มามีเอี่ยวด้วยเลยคือไม่มาสุขไม่มาทุกข์อะไรด้วยไม่มีเลยท่านทำก็เพื่อประโยชน์ท่านเท่านั้นเพียงอย่างเดียวละไม่มีประโยชน์ตนอะไรเพราะว่าประโยชน์ตนของตัวเองนี่จบหมดแล้วตัวเองไม่ต้องมาสุขมาทุกข์อะไรแล้วหมายถึงว่ากิเลสนะสุขทุกข์เนี่ ไม่ต้องมาเดือดอร้อนใจเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงอะไรทั้งสิน้นแต่ทางกายมีไหมหิวไหมหิวพออาระอรหันต์ก็หิวได้แต่ท่านท่านไม่เดือดร้อนไงหิวก็หิวสิท่านก็นรู้โดนอะไรใครเอาปืนมายิงบาดเจ็บได้ไหมบาดเจ็บได้ถึงตายก็ยังได้เลย พระโมคคลลานะพระโมคคลลนะเนี่ยโดนแบบว่าเขาโดนโจนทุบตีจนตายเห็นไหมถึงตายก็ได้แต่ท่านก็อุเบกขาได้ท่านวางใจได้ไม่โกรธไม่เกลียดชังไม่อะไรทั้งสิน้นวางใจได้เลยนะเนี่ยเป็นอุเบกขาสามอย่างซึ่งจริงๆบอกแล้วว่าจะมาถึงขั้นนี้ถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องมาแล้วเนี่ย คุณต้องฝึกมาตั้งแต่นะ่ะเมตตากรุณาอุเบกขาจนจนมาถึงอันนี้เพราะสูตรนี้ยังไม่จบยังมีอีกสองตัวสุดท้ายอีกนะแต่วันนี้คิดว่าก็มาถึงแค่อุเบกขานี่ก่อนข่าวต่อไปก็คิดว่ามาต่ออีกสองตัวก็คงจะจบได้อ่าวันนี้คงพอเท่านี้ก่อนนะ